ปัญหาที่11ถามลักษณะวิริยะค่าแต่พะนคเสนวิริยะคือความเพียรมีลักษณะอย่างไรมหาราชะความเพียรมีการคำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิน้นอันความเพียรคำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมข อ, อนิมนต์อุปมาก่อนอุปมาเลือนที่จะล้ม ขอถวายพระพรเมื่อเรือนจะล้มบุคคลค้ำไว้ด้วยไม้อื่นเรือนที่ถูกค้ำไว้นั้นก็ไม่ล้มฉันใดความเพียรก็มีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลรธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ไม่เสื่อมฉันนั้นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาพวกเสนามหาราชะ พวกเสนาจำนวนน้อยต้องพ่ายแพ้แก่เสนาหมู่มากหากพระราชาทรงกำชับไปให้ดีทั้งเพิ่มกองหนุนส่งไปให้เสนาจำนวนน้อยกับกองหนุนนั้นต้องชนะเสนาหมู่มากได้ชั้นใดความเพียรก็มีการคำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งสิ้นอันความเพียรอุดหนุนแล้วก็ไม่เสื่อมชั้นนั้น ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทรงธรรมตัดไว้ว่าอริยะสาวกผู้มีความเพียรเป็นกำลังย่อมละอกุศลจเจริญกุศลได้ละสิ่งที่มีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษได้ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจ ธ, ธรรมดังนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก่ถูกต้องดีแล้ว อธิบายการทำความเพียร น, นั้นคือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้าหย่อนเกินไปก็จะเอียงไปทางเกียจค้านถ้าตึงเกินไปก็จะฟึ้งซ่านจึงควรทำความเพียรแต่พอดี